สิอสวรคยสูตรว่าด้วยธรรมที่เป็นไปเพื่อความสิ้นอสวะ996สิบกภิกษุทั้งหลายอาณาปานสติที่ภิกษุเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นอสวะพึงเพิ่มข้อความที่เหลือให้พิสดารอาณาปานสติสมาธิที่ภิกษุเจริญ อ, อย่างนี้แล ทำให้มากอย่างนี้จึงเป็นไปเพื่อความสิ้นอาสวะอาสวะขยะสูตรที่สิบจบทุติยวักที่สองจบ